ที่เรายอระของระที่จะตรงจะรู้สดวบางทีก็มีคำถาเจรสตนี้เวลาระเทต้องเลื่อนไว้มืไหมต้องราสติต้เลื่อนไว้มือไหมแล้วก็ ดูสิว่าใครจะว่าอย่างไรเจ็ดเราฟังหลวงพพูดดูเิเราเคลือ่อนไหวมือมันมเป็นอย่าง้รเราไม่เคลื่อเราไม่เคื่อนไหวมือมันเป็นอย่างไรให้มันตรงตร ง, ตรงกับตาความให้มันตรงตรงกับตาฟัมเพื่อได้ยินเนานราไปทำสิ่งที่พูดอราไปทํา สงที่พูดเราไปคิดแต่สิ่งที่พูดเราไปคิดอาจจะตั้งใจจะจดจะจำออกแต่เสียงที่พูดเสียงที่พูดเราไปถ่อเราจะทำาังไมีคำถามมานาแล้วผู้มีปัญญาเข้าข่าผู้ไม่มีปัญญาเ้่าถ้าเป็นตัวปฏิบัติก็เลยพูดอยู่เสมว่าไม่ไม่มีคำถามมันมีแต่คำตอ ถ้าสองพ่อนะถ้ามีคนโคตรเถียคปามเราก็ไม่ต้องยกหนุนความร้เราะในเวลาเราพูดความรู้ต้เวลาใดที่มันม่เกิดรงกันะโดยเฉพาะการเจริญสติแบบที่เราครับก็สร้างสติด้ก้างคารู้สึกตัวด้ไม่ใช่ว่าต้างสร้างครู้สึกตัวต้องฟังไปมันเป็นอย่างไรจะเราพูดที่ทำ ไดยินแล้วได้ทำแต่ว่าถ้าทาไปพร้องกันเป็นรูปแบบเราก็ใช่ขนาดเราจะทาเป็นรูปแบบจให้มันเกิดปรยชน์แบบมันก็จะตายบนลูแบบได้เหมกันยกมนรรไม่ว่าอยู่แต่ว่าใจลอยไปไหนไม่รู้เป็นทีริยาไม่เป็นธรับกรรมันก็เป็นกรรมจริงๆไม่ใช่กีริยา ยกมือสร้างจังหวัดเป็นก huh? ิริยากระดับนั <S <s yes. ่งอยู่ชั oh, ่วมมงเป็นกิริยาเฉยๆไม่มีกำไรไเ่มีผลเลยยังไม่ทำการทำแล้ไม่มีผลยกมือสร้างจังหวัดเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวในเวลาที่เราฟังเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะต้องทำให้ลับชินใจไว้ถ้าว่ามันหลก็ยกมือยกมือไปแล้วฟัหลง เราไม่ร้ความเป็นอย่าให้เป็นจริงๆจริยัไม่ใช็ครับเปมนกระตัดกตัเป็นที่ไม่มีมือพกยศมือสร้างภาวาจำตายมันมีประโยชน์ยมอเลื่อน่เพ vale ื่อให้เ huh. ก uh ิดความรู้สึกตัวนั่นเองนั่นไม่ไดเราควระไหวตาไม่รู้จะไปยศมันจะเป็นเนือสายที่ไม่ดีเราีต้องคุยต้ยมือนะคร ก็ันชัดเยนแม่มนยามด้วยาฏิัติธรรมจะทำให้ ม, มนันเป็นผ้าผ้าเร ล, ลูกเรืหลบมันจะได้เนื้อใส่ไม่ไดีเนี่ยเราก็เทียนสองยกมือ้อัอองรูปสิบตัวให้มันรูกนะเราให้มันลูกสนะิบตัวเราพยายามที่จะให้มันลูกสิบตัวนี่คือ่ำมาตรฐกนคต่ำตราแล้วก็มามต่อ ถ้าเราเวลาฟังเรายกมือสานแก้วถ ouais. ้าเราฟังเราไม่ยกมือสานแก้วไม่ทุกคนตอบมันใช่เราก็เทียนก็ไม่ได้สอบเอกวนไม่มีนะอันเวลาบางเทตไม่ได้ไม่ได้ยกมือสานแก้วแต่เวลานี้เราก็ยกมือสานแก้วเราเลยเรางพ่อกไม่ยกนะ เ่ลาประเทศไม่ยกมือคาตาแล้วก็เพียนสอไม่เคยยกมือชาติเราเราประเทศตอนชาติเราเองและก็ยกมจากาติเราสวงเรากรับตับตัวเองแล้วก็พูดเรื่องอะไรที่เราทำแล้วเกิดสำเร็จเราแล้วก็พบเห็นไปตับที่เราพูดยังไงที่เรายังไม่พบเห็นแล้วก็แสดงแล้วก็อยู่เรื่อยต่อแล้วจะทำให้มันเกิดตัมที่พ่ออกเรี่เราไปติดสุด พอูบน้ำแม่นเกิดกรเกิดลูบก็เียอว่าอยากเป็นลูกศุกรนเห็นมาศุกระทบกเราั่้รากโอ้ไม่เนาะไม่ใช่เรางรา้างัเขากไปมีความสุกกับการเห็นลูกเห็นน้ำเติมโอเคได้เเด็ราก็เตรียมว่าพอเห็นรูปเห็นน้มเกิดลองรู้เกิด ก็ไปอยู่กับคนสุจนะหนให้เห็นความจบมันรู้เราจไปอยู่กับความรู้นะให้เห็นมันรู้เวลาเราฟัง่งที่เราก็เทียนพูดมันมีอยู่รอบๆมัเกิดขึ้นเราไปแช่สิเราก็แช่ขณะที่เราพูดเราพ่อเทียนจะได้สอนเราโดยตรแต่เราหยิบเอาครังเอาเวลาเราก็เทียนสอนสิง่งไหนเราไม่รู้เราไม่พอเราจะทําห้มั น, นกเกิด เันก็เทียบของอะ่งไหนที่มันไม่เกนก็จะทาเอาใหม่ๆมันให้เห็นถูกเงินน้ำเขาก็เทียบของว่าสร้างเรีรางวัให้มันเห็นถูกเงินน้าเนี่ยยกเว้นเสื่องไหวอยู่เนี่ยเห็นถูกเป็นน้าอยู่นีเราก็คิดหมดแล้วเนาะเออจบเราอืมเูกันครับเอาของผู้โหดขอเทียบมาเปกัน หลวงอเทียนเทศให้หมีมมการกันไม่ได้เทศจะให้เราจำนะก็จารย์การปฏิบัติทำเนี่ยต่ที่ควาเทศเ<า>นี่ยความรูปสอตัวอาจารย์สอนเนี่ยเราจะทำอย่างคนถามวัดของให้ทุกคนมาตันต่อกับแร้วัติโยกโมซ่าฉบับใครก็ตามว่ า, ามันมันเ ร, รียมั<ร><ร>นลียตรงไหน มันไม่ดีตรงไหนก็นตมอบอกกันแล้วต้องบอกเว้ยได้โปรดการบอกสอ ง, อองประเด็น